พระธรรมเทศนาแผ่นที่51ดลำดับที่16โดยหลวงพ่ออินทาวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่17มีนาคม 2,556 มีชื่อเรื่องว่าอะไรคือมงคลวันนี้เป็นวันที่17 มีนาคมพุทธศักราช 2,556 เมื่อวานวัดของเรานะคณะนักศรธายาตโยมที่ลกพ่อได้ตกลงกับโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่นตั้งแต่ก่อนเข้าพรรษาให้ทางโรงพยาบาลมาขอเครื่องมาขอห้องผ่าตัดพิเศษสำหรับผ่าตัดหัวใจ หลวงพ่อก็ได้พิจารณาดูแล้วกับคณะกรรมการแล้วก็เขาก็ได้สายสไลด์ให้ดูก็มีความจําเป็นแล้วก็ต้องการความละเอียดอ่อนในการผ่าตัดหัวใจเพราะเป็นผักการผ่าตัดใหญ่โรงพยาบาลขอนแก่นยังไม่มีแล้วก็อาจารย์แพทย์ทั้งหลายอาจารย์หมอทั้งหลายก็มาจากจุฬาเป็นคนขอนแก่นก็เป็นทีมขึ้นมาที่จะทำได้ หลวงพ่อก็มาพิจารณาดูว่าทางจังหวัดอีสานของพวกเรานี่คนส่วนมากก็มีศูนย์ศิลิกิตโรงพยาบาลศรีนครินแห่งเดียวที่เป็นศูนย์ผ่าตัดหัวใจถ้าว่าผู้ใดลูกหลานญาติพี่น้องเป็นหัวใจเข้าไปแล้วก็ต้องรอคิวกันถ้าหาว่าเป็นการผ่าตัดใหญ่แล้วก็ต้องรอคิวกันเว้นเสียแต่ว่ากินหยกูกินยาทานยุกทานยาไปก็ เขาก็ให้ดูแลรักษาอันนี้คือศูนย์ศิลิกิตโรงพยาบาลศรีนครินพ่อขึ้นมานี่จะมีโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่นและก็ศูนย์อุดรที่จะมีการผ่าตัดขึ้นมาอีกหลวงพ่อก็เห็นด้วยเพราะว่าโรงพยาบาลน้อยจริงๆโรงพยาบาลหัวใจศูนย์หัวใจหรือว่าผ่าตัดหัวใ จ, วใจแลยคือเกี่ยวกับ หัวใจผิดปกติเนี่ยเขามาขอหลวงพ่อก็ให้ความใส่ใจสนใจเขาก็หลวงพ่อกอนุมัติเอาทำาได้เลยพอมีหมออยู่แล้วจากนี้ก็เขาก็ทำพอทำก็เมื่อวันที่สาสบเอดวันที่ส1มสิเอดมกราก็เสร็จหลวงพ่อก็ไปเปิดแล้วละ่ะไปเปิดห้องนั้น ูแล้วก็ห้องโอ้สมบูรณ์ใหญ่ใ้เหมาะสมแต่ราคาตรีราคากัน3ล้านกว่านะทีแรกมันก็ต่อรองกันได้2ล้าน8นดสล้าน8แล้วก็มีภาษีอีก1นึ่0 0แสนรวมกันแล้วเป็น2ล้านเาเมื่อวานก็ได้หลวงพ่อก็ได้เตรียมปัจจัยจตุปัจจัยของข้ารัทธทาญาติโยม ถวายไว้วัดเนี่ยนะทั้งผ้าป่าทั้งกระถิ่นหลวงพ่อก็ได้รวบรวมส่วนหนึ่งก็แบ่งใช้ในวัดวาศานาสร้างท้าวววัตถุทําถนนหนทางแล้วก็แบ่งปันวัดอื่นบ้างก็ช่วยเหลือชุมชนสังคมด้วยหลวงพ่อก็ได้ตกลงจะสร้างห้องผ่าตัดหัวใจเมื่อวานนี้ก็เขาก็มารับแหละท่าพอหลวงพ่อไปเปิดแล้ว ใช้การมาเดือนกว่กวเกือบสองเดือนไม่มีปัญหาทางคณะแพทย์ก็เลยมารับวานหลวงพอนะ่อมอบให้แล้วสองล้านแปดแสนรวมทั้งภาษีอีกหนึ่งแสนเป็นสองล้านเก้าเพราะนั้นขอบอกประกาศให้คณะสัทยา ญ, ญาติโยมลูกหลานทุกคนอนุโมทนาเนะ้ออันนี้แหละอันนี้คือคือทำสาธารณประโยชน์ที่พาตัดหัวใจ แต่ต่อเ น, นี้ไปถ้าว่าใครอยากจะไปศูนย์คอนแก่นก็ได้เรือว่าศูนย์อุดรศูนย์ศิริกิตแต่ศูนย์ธิริกิตศูนย์ใหญ่กว่าแต่ถ้าว่าศูนย์ชิริกิตติดเข้าไม่ได้ก็ไปที่โรงพยาบาลศูนย์คอนแก่นถ้าไปศรีนครินไม่ได้เพราะศรีนครินจะคงจะเป็นคิวยาวนะคนดูดูแลหลวงพ่อฟังแล้วก็ยาวนะแล้วก็เรื่องตสองที่จะ บอกกล่าวให้คณะสัทยา ญ, ญาติโยมได้ทราบก็คือเนี่ยนักศึกษาแพทย์มหิดลมาเขา้านาะคก็มาเมื่อวานเนี่ยก็เป็นรุ่นที่แดแล้วนะคณะสัตยา ญ, ญาติโยมลูกลานที่นักศึกษาแพทย์มหิดลมาบวชที่วัดของเราหน้าแรงเนี่ยเดือนมีนาเมษาเนี่ยหนึ่งเดือนกว่าๆเป็นรุ่นที่แปดแล้วเนี่ยเป็นลูกของหลวงพ่อรุ่นที่แปดแล้วงั้น ปีนี้จะมีแพทย์หญิงด้วยที่จะมาปฏิบัติธรรมแต่ว่าแพทย์นายผู้ที่เป็นแพทย์ชายเนี่ยก็นักเรียนนักศึกษาปี3จะเข้าปีส่ปีสเข้ามาบวชปีนี้ทั้งหมด12 12อนาคแล้วก็มีนาคของเราประสมประสานเข้าไปอีก1เป็น13ปีนี้วันที่24่ี่เนี่ยะยีที่จะถึงน่ะ อถ้าหากผู้ใดว่างก็มาร่วมบวชนาคก็ได้เนอะมาร่วมกันบวชพระไว้ในพุทธศาสนาหลวงพ่อก็ยินดีรับพอเหตุไลไยเพราะว่านักศึกษาแพทย์เนี่ยเอถ้าจะว่าเป็นหัวกุ้หัวปลาอยู่แล้วหัวดีอยู่แล้วแล้วก็เป็นเอเป็นแพทย์ที่จะรักษาพี่น้องประชาชนคนทั้งชาติคนทั้งโลกเอควรจะ มีศีลธรรมมีจริยธรรมมีคุณธรรมนะในจิตใจอย่างน้อยก็ให้มีธรรมความถูกต้องคือหลักเหตุผลอยู่ในจิตใจนะจากนั้นก็นำทั้งทางโลกทั้งทางธรรมเข้ามาะสมประ ส, สานกันก็จะดูแลพี่น้องประชาชนได้รับความพาสุขนะที่โรคภัยไข้เจ็บทุกคนพวกเราทันทั้งหลายนั่งอยู่ด้วยกันทั้งหมดเนี่ยจะต้องเข้าโรงพยาบาล เป็นเสียแต่มันไปปุับปรับนะถ้าว่าเจ็บไข้ได้ป่วยก็เข้าแต่หลวงพ่อมาถึงจุดนี้ก็เถ อ, อะก็ได้เข้าโรงพยาบาลไปตวรวจเลือดไปอะไรต่อเมีอะไรหลายครั้งต่อหลายหนทั้งที่ปฏิเสธไม่อยากจะเข้าโรงพยาบาลไม่อยากจะกั้มกายโรงพยาบาลแต่มันก็จําเป็นนี่พวกนายแพทย์ทั้งหลายลูกหลานทั้งหลายที่จะเป็นแพทย์เป็นหมอก็จะได้ดูดูแลพี่น้องประชาชนนะ หมูว่วานเนี่ยเข้ามาเข้านากต่อไปนี้ก็คงจะฝึกขานหนากจากนั้นก็จะได้จัดอัฐบริขารให้ครบบริบูรณ์จากนั้นก็วันที่24ก็จะได้บวชบวชพระพอบวชเสร็จแล้วก็คงจะอยู่ที่วัดของเราประมาณเดือนกว่าๆประมาณกลางเดือนเมษาพอกลางเดือนราศิกขาจะมีกลุ่มหนึ่งอีกแนะ่จ้น กลุ่มหนึ่งทื่ว่าเจ็ดสถาบันเจ็ดสถาบันคือจะเข้ามาบวชอีกสามสิบนาคเจ็ดสถาบันคืออะไรคือจุลารรมาสตร์ามคำแหงจนถึงเนี่ยมหาสา ร, รคามเราด้วยแล้วก็จะเอานักศึกษาบวชหลวงพ่อจะรับไหมหลวงพ่อทั้งที่ สิริราชหรือว่าไม่โดนเพิ่งผ่านไปไม่กี่วันก็รับกลุ่มนั้นเข้ามาอีกเจสถาบันลงพ่อมาพิจารณาดูท่านหนักถ้าจะพูดไปก็หนักก็หนักนแต่มาพิจารณาถึงคุณค่าของลูกหลานที่จะเป็นทายาทของพระพุทธศาสนายืนยืนยาวนานควรจะรับเพราะว่าผู้ที่จะเข้ามาบวชเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าเขาจะแสดงความจำนงไปทุกแห่งหนไม่ใช่ ในเมื่อเขาแสดงลูกหลานแสดงความจำนงอยากจะมาบวชวัดหลวงพ่อหลวงพ่อก็ยินดีเอารับบวชต่อไปภายภาคหน้าเราก็จะแนะนำสั่งสอนลูกหลานเท่าที่มีความสามารถที่จะสั่งสอนลูกหลานได้ทั้งเทปทั้งหนังสือทั้งธรรมเทศนาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงพ่อก็จะเปิดให้ลูกหลานได้ฟังได้ศึกษา ถ้าว่าภูมีอุปนิสัยก็คงจะซึมซับเข้าสู่จิตใจและจะนํำทำคําสอนที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ประทำคำสอนของพระพุทธเจ้าเข้าสู่จิตเข้าสู่ใจลูกหลานก็จะเป็นคนดีมีคุณธรรมในจิตใจจะทําอะไรออกไปก็คงจะไม่ออกนอกลูกนอกทางถ้าคนมีธรรมหลวงพอ่อคิดได้อย่างนั้นอ่ะหลวงพอ่อเอารับคิดว่าก็คงจะเดินกว่าเหมือนกัน กลุ่มนั่นไนงะนี่แหละอันนี้ก็บอกกล่าวให้คณะสัตยาญาติโยมทุกๆท่านได้รับรู้รับทราบคือวัดวาศาสานาหนีกันไม่ออกพี่น้องประชาชนกับวัดวาศาสานาคร้ายๆกับพึ่งพาอาศัยกันพี่น้องประชาชนกับอาศัยธรรมถ้าคนขาดธรรมะมากๆเนี่ย ก, ก็หาความสงบสุขหาความร่มเย็นเป็นจุขไม่ได้นะชุมชนของพวกเราแต่ถ้าว่าพวกเรา ยิ่งอาศัยทมคำสอนระหว่ามีธรรมในจิตใจก็จะสงบกว่าร่มเย็นเป็นสุขในครั้งไม่ว่าในครั้งไหนคนทั้งหลายก็ต้องการศฉลีต้องการมงคลต้องการความสุขเป็นเริยมงคลสำหรับตนเองอในครั้งพระพุทธเจ้าของเราก็เหมือนกันในกุลงราชจะคือมีคนคนหนึ่ง โหดขึ้นมาในที่ชุมชนประชาคมมากๆคนมากๆขอสิริมงคลจงเกิดแก่ข้าพเจ้าด้วยทุกอริยบทยืนเดินนั่งนอนด้วยเธอไอ้คนหนึ่งประกาศนะครับขอสิริมงคลมหามงคลจงเกิดกับข้าพเจ้าทุกอริยบทย ด, นนด้วยเธ อ, นน อ, เเเธอพอเสร็จแล้วเขาก็หยุดหายเงียบไป คนทั้งหลายก็เอสิริมงคลเนี่ยใครใครก็ต้องการมงคลเข้ามาหาตนเองคําว่ามงคลคํานี้คืออะไรเนี่ยคำว่ามงคลคำนี้ก็ถามกันแหละถึคนหนึ่งก็บอกว่ามงคลคืออ้าวถ้ามงคลก็คือของสวยของงามสิ่งไหนที่เกิดที่มองเห็นแล้วเป็นสิ่งที่ดีของสวยงามที่ตาได้เห็นนั่นแหละเป็นสิ่งที่ทเป็นมงคล คนหนึ่งก็บค้านขึ้นมาไม่น่าใจะใช่นะบางทีคนที่ว่าดีๆสวยๆงามๆบางทีไปเห็นคนด้วยกันก็ทำหน้าบูดหน้าเบี้ยว อ, อขึ้นมาอีกก็ไม่เป็นที่พอใจอีกสิ่งที่เป็นมงคลก็กล า, ายเป็นอ ป, ปมงคลขึ้นมาอีกก็ได้คนน่าจะหูมากกว่าถ้าได้ยินเสียงเพราะๆคนกล่าวขึ้นมาก็เป็นที่พอใจเรานั่นแหละเป็นสิ่ ง, งเป็นมงคลมหามงคล สำหรับตัวของเราที่ได้ยินคนหนึ่งก็บอกไม่น่าจะใช่อีกนะเพราะว่าไอเสียงเพราะ<ๆ>บางครั้งมั น, มนกระดาออกมาอีกเหมือนกันนั่นแหละเออมันก็เป็นที่ขุนใจของเราอีกไม่น่าจะเป็นมงคลทีเดียวนี่แหละคล้ายๆกับทางตาทางหูทางจมูกทั้งลิ้นทางกายเ อ, อ่ที่ได้สัมผัสอ่อนนุ่มเออก็เป็นของดีใช่บางทีก็ของแข็งก็มีอีกเหมือนกันให้ว่าความไม่พอใจก็จะเกิดขึ้นในสิ่งที่ ในเห็นได้ยินได้หวังนั้นๆมันมีทั้งสองดีและเดวท่านนี้ของคนก็คว้คว้าถามกันแล้วทีนี้สิ่งที่เป็นมงคลนั่นคืออะไระที่จะเป็นความสุขที่เป็นมงคลนั้นจากนั้นพอมนุษย์ถามกันแล้วเนี่ยเทวดาก็ถามกันอีกทีนี้ภูมิมะลุคะเทวดาถามกันอีกไม่มีใครตอบได้จนถึงไปถึงพระอินทร์บนสวรรค์ พระเอ็เออใช่ตอบไม่ได้อีกลงมาถามพระพุทธเจ้าเนีอยพระพุทธเจ้าดึกส ง, งัดก็มาถามพระพุทธเจ้าจึงไหนหนอที่เป็นมงคลพระพุทธเจ้าข่าเนี่อเป็นมงคลของชีวิตเอพระพุทธเจ้าท่านก็บอกว่าอืมแต่ไมก่อนเขาก็มีอย่างกันอย่างนี้เหมือนกันนะะที่คนถามหาสิริมงคลไปหาที่ไหนก็ไม่ได้จนไปหาท่านบัณฑิตนักปราชญ์แต่คราวนี้ก็ะเตงมาถามเรา ถ้าไปถามใครก็สงสัยแต่เราจะบอกให้ปุถุโตองค์บอกว่าอเซวนาจะบาลานังบัณฑิตานั้นจะเสวนาเ่ยนอะันบอกว่าให้คบบัณดิตนักปราชถ้าคบบัณดิตลําปาดนั่นแหละเป็นมงคลอันสูงสุดนะถ้าว่าคบคนดีแนะนำไปในทางที่ดีไปในทางที่ถูกต้องนั่นแหละเป็นมงคลถ้าคบคนผ่านคนเลวนั่นแหละเป็นหนทางแห่งความชิบหาย อเซวานาจะบาลานังบัณฑิตานั้นจะเสวานาปูชาจะปูชนียานังเอตมังการมุตตมังบูชาบุคคลที่ควรบูชาบุคคลเช่นไรที่ควรบูชาครบหาบุคคลเช่นไรแต่ทีนี้หลวงพ่อก็บอกว่าสาหรับหลวงพ่อเองหลวงพ่อบอกว่าอคําว่าอาเซวานาจะบาลานังอยากคบคนผ่านให้คบบัณฑิต แต่พวกเราบางคนเอา้าพบบันติดจะพบใครมาพบหลวงพ่ออินใช่ไหมเอ่ที่ว่าจะเป็นบันติดนักปา่าตไม่ใช่นะเฮ้ยบางทีหลวงพ่ออินก็อาจจะโมโหด่าให้ลูกศิษย์ลูกหาเอไม่ใช่เว้ยเออแต่พูดหลวงพ่ออินพูดดีก็ใช่เป็นมงคลแต่เขานี่ไม่ใช่ใช่แล้วเนะ่ยนี่แหละอันนี้นมันก็สงสัยอีกเหมือนกันนะเฮ้ยเพราะว่าเราจะไปว่าหลวงพ่อ ดีตลอดมักไม่ได้อย่างหลวงตาก็เหมือนกันหลวงตามหาบัวท่านเป็นบัณฑิตนักปราชัยแต่บางเที่เอ๊ะไม่ขนะจะใช่นะ่าหนิบางคน น, นี่แหละเอ๊แต่ถ้าว่าจะครอบยังไงหลวงพ่อว่าพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าเนะี่ยแปดหมืี่พันพระธรร ม, มขันนั่นแหละคือบัณฑิตนักปราชัยให้พวกเราครบบัณฑิตนักปราชัยคือพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าเนะี่ย แปดหมืสี่พันพระธรรมขันนั่นแหะคือบัณฑิตนักปราชญ์ถ้าเราเข้าไปศึกษาถ้าเราไปคบค้าถ้าเขาไปปฏิบัติตา ม, ามคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วนั่นแหละบัณฑิตนักปราชญ์จะสอนไปในทางที่ถูกต้องเป็นในทางที่เหมาะสมเป็นหนทางแห่งความผาสุขในการดําเนินชีวิตแต่มาถามไม่ว่าเอา พระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าแปดหมื่นสี่พันพระธรรมเนี่ยไปครบยังไงจึงแปดหมื่นอย่างนั้นครบไหวหรือจะครบยังไงครบเหลี่ยมไหนเหลวงพ่อว่าให้ครบสินห้าเท่เนยิยนลงมาให้มีศินห้าถ้าคนเรามีศินห้าสินห้าก็คือพระพุทธเจ้าสอนว่าอย่าฆ่ากันนะอย่าคิดฆ่ากันนะถ้าเราอย่าคิดถ้าเราคิดฆ่ากันเออ ดูซิในยุคใดสมัยใดถ้าคนคิดฆ่ากันหวาดรุกแวงกันจะหาความสุขได้ไหมไม่ได้นี่แหละให้ครบบัณฑิตคือคําสอนของพระพุทธเจ้าอย่าคิดฆ่ากันอย่าคิดขโมยกันให้เขาลดสิทธิสามีภรรยาซึ่งกันและกันอย่าไปโกหกกันอย่าไปดื่มสุราถ้าดื่มสุราขาดสติแล้วคนขาดสติมันน่ากลัวเพราะคนเป็นบ้าน เออฆ่าใครก็ได้ขโมยใครก็ได้เออลาลาบ ร, รวงสามีภรรยาลูกหลานไม่เคารพสิทธิของใครก็ได้โกหกใครก็ได้เออคนขาดจิตคนดื่มสุราไม่ใช่แต่ดื่มสุราเท่านั้นนะพวกคัญชายาฟินเฮโรอินเอ้ยาอยาบ้ายา마ยาไอยายาไอยาอะไรมากมายเอ้ที่ทําให้คนเฉลบหรือดื่มเข้าไปแล้วขาดติตเมื่อขาดจิตแล้วทาความชั่วได้ทุกอย่าง เพราะคนขาดจติขาดการยับยัง้งนี่แหละให้คบบัณฑิตนักปลาดห้าคนเนี้ยไม่คิดฆ่าคนอื่นให้คบเขาอย่าไปขโมยคนอื่นถ้าไปขโมยคนอื่นเขาเรียกว่าผิดสามีภรรยาคนอื่นเขาโกหกเขาพร้อมที่จะเข้าคุกเข้าตารางไดเออไ้เพราะอะไรเพราะห น, นีจากบัณฑิตนักปลาดไปคบคนผ่านพานลชน แต่มันห้าคนมันมากเกินไปไหมหลวงพ่อเอาสักสองคนได้เอาสักน้อยกว่า น, นั้นได้ไหมได้ให้รักภพทำคําสอนของพระพุทธเจ้าออ่ะให้มีฮิลิฮิลิคือความละอายแก่ใจโอตรปะคือความกลัวต่อบาปคบบัณฑิตสองคนนี่ก็ น, น่าจะเพียงพอฮะบันติดสองคนเซ ว, วนาจะบาลานังบัณฑิตานั้นจะสเส ว, วนา ให้ครบบันดิตสักสองคนเนี่ยก็น่าจะพอคือให้ครบฮิลิกับโอตตะปะฮิลิกคือความละอายแก่ใจสิ่งไหนที่มันไม่ดีอย่าคิดอย่าพูดอย่าทำให้มีความละอายเอาไว้อย่าไปทำในสิ่งที่มันไม่ดีโอตตปะคือความกลัวต่อบาสิ่งไหนที่มันจะเป็นบาปอย่าไปทำอย่าไปคิดอย่าไปพูดที่มันจะเป็นบา ถ้าเรามีฮิริกระโจตปะในจิตในใจเอาทาคำสอนเข้ามาศึกษาแล้วก็อันไหนผิดอันไหนถูกอันไหนควรไม่ควรอย่างไรหลวงพ่อว่าสองสองบัณฑิตนี่ก็น่าจะเพียงพอนะแต่ถ้าว่ามากกว่านั้นขึ้นไปอีกก็เอาครบบันฑิตสักห้าคนสักไม่คิดฆ่าคนอื่นไม่คิดขโมยคนอื่นอย่างที่ว่านี่นมีศีลห้าอยู่ในประจําตัวของพวกเราหลวงพ่อ ว่าถ้าว่าพวกเราครบบัณฑิตนักปราชญ์อย่างที่พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือว่า เ, เหมือนกับคนในยุคสมัยค้างพุทธกาลที่ว่าขอขอความเป็นมงคลจงเกิดกับข้าพเจ้าด้วยทุกอริยาบทด้วยเถิดพอพูด้ก็หายเงียบไปในที่ชุมนุมชนคนทั้งหลายได้ยินอ้าวใช่คำว่ามงคลคำนี้เนี่ย ออันไหนที่เป็นมงคลเ้วก็ถกเถียงกันอย่างที่ว่านจนมาหาที่สุดไม่ได้จนมาถึงพระพุทธเจา้าพุทธเ จ, าจา้าจะว่ามงคลสามสิบแปดประการเออย่างมาตาปิตุอุปัทานังปุตตธาลัตสร้างกาโฮอนากลาจะกรรมมันตาเอตัมมังขารมุตตมังฮะมงคลสามสิบแปดเน่ยนะตั้งแต่มงคลที่หนึ่งเสวนาจะบาลานังบันติตานันจะเสวนาขึ้นต้นเลยนะ คบบัณฑิตนักปา่าต่อไปพุทธยากไล่ไปเรื่อยจนครบ38แต่38นั้นในมงคลหนึ่งว่ามาตาปิตุอุปัาป ท, าทานังพุถัทาราช ส, สั้งขา้าโออนาคูลาจะกรรมมันตาเอตมังขารมุตตมังมาตาปิตุอุปัทานังเมื่อมารดาปิดาเลี้ยงดูเรามาแล้วเลี้ยงท่านตอบทำกิจธุระของท่านดำรงวงศกุลประพฤติตนให้สมควรควรรับทรัพย์มรดก เมื่อท่านล่วงลับไปแล้วทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ท่านในมาตาปิตุอุปทานังปุตตารั้จะสร้างข้าโหพ่อแม่ก็ให้สงเคราะห์บุตรธิดาของตนสิ่งไหนที่บุตรทิดาที่ไม่ไม่ดีก็แนะนำสั่งสอนบอกกล่าวแนะนำให้ไปในทางที่ดีผลที่สุดก็มอบทรัพย์สมบัติให้ในการสมัย อันนี้คือเป็นหน้าที่ของพ่อแม่จะต้องดูแลปุตป ต, ต, ตทาแต่สั่งเขาโหให้สงขอลูก อ, แ อ, แออนาคูลาจะกรรมมันตายอย่าไปทําอาการที่เป็นอากูลอาดูลงานไล่าชาเยต ม, มังขรมุตต ม, มังเป็นมงคลอันอุดมนี่แหละพระพุทธเจ้าท่านไล่ไปเป็นทีละข้อละข้อละข้อเพราะฉนั้นก่อให้พวกเราคณะจต่าญาติโยมลูกหลานทุกคนนะ จะตั้งอยู่ในความประมาทให้สังสมคุณงามความดีเอาไว้ชีวิตของพวกเราท่านทั้งหลายหลวงพ่อเคยเตือนบอกกล่าวเตือนทั้งหลวงพ่อด้วยนะไม่ใช่จะเตือนของคณะทศัทยาญาติโยมนะชีวิตของพวกเราอย่างพวกเราท่านทั้งหลายเห็นคุณงามความดีเราได้เตรียมพร้อมไว้ได้อย่างที่เราจะไปสู่ประโลกภายภาคหน้าไม่รู้ว่าวันไหนวีซ่ามาถึงวันไหนกับวันนั้นละ่ะพวกเราจะต้องเดินทางต่างประเทศ บัตรนี้เราพวกเรายังไม่รู้ว่าวีซ่าจะมาถึงเมื่อไหร่อันนี้ไม่ใช่เอาความหายยนะหรือเอาความไม่ดีมาขู่กันไม่ใช่นะเป็นการกล่าวเตือนยำ้ำให้สำนึกมาอยู่เสมอให้ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทคนที่ไม่ประมาทประกอบคุณงามความดีสั่งสมบุญกุศลเข้าสู่จิตใจแล้วผู้นั้นจะอาจฐานถึงอย่างไรยังไงจะไปโลกไหนก็ไปเถอะเพราะบัตร ATM เอ็มของเราเต็มกระเป๋าแล้ว เพชรนิลจินดาของเราอยู่ในกระเป๋าของเราแล้วไปปัลลัคไม่มีขโมยโพยโจรไม่มีคนคดคนโกงเป็นของใครของเราเพราะนั้นบุญกุศลถ้าเข้าสู่จิตใจของเราแล้วเป็นของสมบัติของเราโดยตรงอไม่มีใครจะมาคดมาโกงมาแย่งมาชิงเอาได้เพราะนั้นควรจะสั่งสมคุณงามความดีจิ่งไหนที่เป็นคุณงามความดีก็ควรประกอบสิ่งนั้น สิ่งไหนที่มันไม่ดีอย่าคิดอย่าพูดอย่าทำพูดทำ ส, สิ่งที่ดีวันนี้นขอฝากไว้กับคณะจดท า, ศ า, ศ า, ศายาโยมลูกหลานทุกๆคนนะแล้วก็พร้อมกันพวกนาคที่จะบวชวันที่24นากักศึกษาก็ให้ตะ อ, อกตั้งใจมาเขานี่มาบวชจริงๆแล้วไม่ได้มาอย่างอื่นไม่ได้มาทะเลถลายทางโลกเราก็ผ่านมาพอรู้พอสมควรเราเคยอยู่เคยกิน เคยพักผ่อนยังไงเราเคยมาแล้วบัดนี้เราเอาชีวิตทั้งชีวิตมาฝังไว้ในพระพุทธศาสนามาศึกษาประธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า1นึงเดือนกกว่ า, าจะเป็นยังไงไปวะครูบาอาจารย์พระสงฆ์อย่างหลวงพ่อเนี่ย เ, เท่าไหรล่ล่ะบวชมาตั้งแต่2 5 0พออเนีเ่เดี๋ยวนี้เท่าไหร่ 2,556 นนี่ เป็นเวลาถึง 48-49 ปีหลวงพอ่อยังอยู่ไดนะ้พวกเรามาอยู่เพียงเดือนเดียว ก, กว่าๆหน่อยๆเป็นอะไรไปให้มันเป็นไปซิพวกเราต้องแข็งแกร่งนะลูกหลานนะพูดเข้ามาบวชอ่อนแอปวกเปียกไม่ได้นะต้องอดทนคนเราเรื่องอะไรก็ตามถ้าขาดความอดทนแล้วนะมันหายความเจริญได้ยากน ะ, ะถ้าอดทนความอดทนขันติคือความอดทน ถาพิจารณาหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองเนี่ยด้วยเหตุผลเราเดินไปตามนั้นเดินไปตามหลักเหตุผลนั้น่ะมีแต่ความเจริญจะไปเดินผิดทางนะอดท น, ไ ป, นไปในทางที่ผิดก็จิบหายเหมือนกันนะถ้าอดทนไปในทางที่ถูกที่ต้องที่ควรนะมีแต่ความเจริญนะอันนี้พ่อแม่ครูบาอาจารย์รุ่นปู่รุ่นทวดของเรากบบพุทธบวชพุทธศึกษาในพระพุทธศาสนาหนึ่งไปในทางที่ถูกต้องแล้วควรจะศึกษา ถ้าเราจะไปสู่ทางโลกก็ควรจะศึกษาธรรมะจุดนี้พื้นฐานเบื้องต้นซะก่อนศีลธรรมเป็นยังไงศีลเป็นยังไงทานเป็นยังไงการเสียสละเป็นยังไงศีลเป็นยังไงภาวนาเป็นยังไงถ้าเราได้ศึกษาเป็นพื้นฐานรู้ถึงจะรู้ไม่มากก็รู้นิดหน่อยก็ยังดีกว่าไม่รู้เสเลยนะเพราะฉะนั้นเข้ามาศึกษาเข้านี่กันเพื่อมาเรียนรู้เรื่องพุทธศาสนาประธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าเข้ามาศึกษา แนวแถวของสายหลวงปู่มั่นอีกต่างหากนะสายวัดป่าหลวงปู่ท่านภูบาอาจารย์ท่านสอนอย่างไรต่อไปหลวงพ่อจะแนะแนวให้ฟังเดินอย่างนี้ทาอย่างนี้ดูอย่างนี้ปฏิบัติอย่างนี้หลวงพ่อจะพยายามฮะสรุปแล้วก็คือหวังอย่างยิ่งอยากจะให้ลูกหลานเป็นคนดีมีคุณภาพมีคุณธรรมมีศีลธรรม ม, รร ม, มีจริยธรรมที่ดี ประเทศชาติบ้านเมืองก็จะร่มเย็นเป็นสุขต่อนี้ไปคณะสงฆ์จะนมนุมโมทนาให้พอ